ฟัทงทำกันเนาะมีผู้ฟังมีผู้พู ด, ฟ, พ ด, พดฟังแล้วออกไปทําไม่ใช่ฟังเล่าจำเมาถ้าฟังแล้วจำเอาได้ของปรอมเชื่อมเป็นถ้าฟังแล้วออกไปทําจะเห็นของจริงทำยังไงก็ทําตาม ท, ท, ที่พระเจ้าทรงสังสอน มีสติไปในกายสติมันจะเกิดก็เพราะการประกอบขึ้นมาไม่ใช่สติธรรมดาสติฐานเป็นสติทักท่วงออกสาวคามรูแล้วอะไรที่ไม่ใช่ความรูทักท่วงสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจ ได้พบเห็นทิ้งต่างๆ ต, ต่างที่พรธเจ้าทรงแสดงธรรมจักจะได้เห็นความอ่อนแอหรนความตึงเครียดความอ่อนแอเรียกว่ากรามอสรงขันติกาหรือโยกความตึงเครียดเกินไปเรียกว่าอัตถะเกียวกทายโยก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 ตึกตัวเลือกได้อะไรที่มันเกิดขึ้นกับความรู้สึกตัวเมื่อคนเราอย่างกันความรู้สึกตัวคือไม่เป็นอะไรไม่ด่วนรับไม่ด่วนไปเสดนี่เรียก ว, ว่าเป็นกลางเห็นทั้งสองอย่างเมื่อเห็นสองอย่างก็เห็นความเป็นกลาง เนวิธีดำเนินการชีวิตเกี่ยวกับสิ่ ง, งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเราเมื่อเราได้ พ, พักผ่อนการอ่อนแอไม่ได้ พ, พักผ่อนการตึงเครียดไม่ได้ พ, พักผ่อนถูกประทบกระเทือนทั้งสองประตูทั้งซ้ายทั้งขวา เราจึงมีสติเหมือนกับการพักผ่อนทางจาิตวิญญาณเราจะเปรียบชีวิตของเราเนี่ยถ้ามันออนแอถ้ามันตึงเครียดมล้กับมันวิ่งตลอดเวลาเหมือนรถที่วิ่งทางไกลเหนื่อยล้ากินน้ำมันเสื่อม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 เมื่อเรามีสติเหมือนกับซ่อมซะเอาอูอ่ซ่อมหรือว่ากรรมฐานแต่รู้เธอรู้อยู่เนี่ยลอยชนลอยปุบลอยสุกลอยทุกข์เก็บขียห้ยไปนี่จะพบว่าที่รู้คืนมาเดี๋ยววิดใหม่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 ไม่ใช่มาลุกลี่ลุกหล่นยุคลุกขึ้นสร้างจังหวะความรู้สึกตัวไม่ได้เป็นแบบนั้นรู้สึกระลึกได้เคยรู้สึกระลึกได้กับอะไรก็ตามไม่ได้เกี่ยวกับรีวอก็ได้ประกอบไปเลยทำไปเลยมีไปเลยเห็นไปเลย เห็นไม่เป็นไปลยมันก็มีไม่ยากมีความรู้ต า, า, า, า, ามความเป็นจริงดังพุทธิองค์ได้ทรงแสดงเราเห็นความรู้ตามความเป็นจริงมีประวัติสามมีอาการเจสองความรู้ตามความเป็นจริงในหลักอิสระสี่คือทุกส ม, มัยในโลมกมรรค ทุกเป็นสิ่งที่กำหนดรู้รู้แล้วรู้แล้วไม่เป็นผู้ทุกคนจากทุกชาวอุ ท, ทยัยแก้งแล้วแก้งแล้วเห็นแล้วไม่สงสัยทุ ก, กเป็นความไม่ถูกต้องความไม่ทุกเป็นความถูกต้องแก้งที่สุดแก้งแล้วทำไมแก้งแล้ว เหตุไี่เกิดทุกข์คือสมุทัยในโลปทําให้แจ้งแล้วไม่ใช่ลุกเป็นเครื่องกําหนดสู้เกิดทุกข์ไม่เป็นทุกข์พนจากทุกข์เหตุที่เกิดทุกข์ละได้แล้วไม่ใช่ทําให้แจ้งละได้แล้วเปลี่ยนแล้ว เปลี่ยนคือทำไงปฏิบัติมันหลงไปรู้ขึ้นมานั่นละทำให้ทำได้แล้วหลงที่ไดรู้ได้ที่ตรงที่มันหลงทำได้แล้วเรียกว่าสมุทัยทำได้แล้วเหมือนเดเหมือนกัน เหตุมันเกิดขึ้นทำได้แล้วไม่ทำเหตุนั่นอีกเกิดขึ้นทีไหนมันหลงไม่หลงมันโกรธไม่โกรธมันทุกข์ไม่ทุกข์ทำได้แล้วนี่รู ด, ดแกล้งแล้วทำได้แกล้งแล้วรู้จริงรู้พร้อมต้องทำอย่างนี้ ความโกรธไม่จริงความไม่โกรธมันจริงความทุกข์ไม่จริงความไม่ทุกข์มันจริงแกล้งแล้ววิธีที่จะไม่เกิดการดำเนินชีวิตในลักษณะทั้งสอมอย่างนี้มีวิธีมีหนทางเรียกว่าอาริยมรรคคือดูเสแล้ววะเนี่ไม่ใช่มักเกินไปท่องไปจำ มรคคือดูเห็นไม่เป็นดูดูเลยเป็นทางเห็นมรคคือทางคือดูเยไม่มีอะไรที่จะปิดบังได้ดำเนินอยู่เสมอดูอยู่เสมอมีสติเป็นเกาอยู่เป็นประจำมีสติเห็นเวทนาเป็นประจำมีสติเห็นจิตอยู่เป็นประจำมีสติเห็นธรรมอยู่เป็นประจำ มันออกมามืด่ดก็เห็นเห็นก็ไม่เป็นก็สักแต่ว่าจริงที่มันทำให้เราเป็นรู้ทำไม่ก็รู้จบทำได้แล้วทำได้แล้วเหมือนผ่านมาไปแล้วเอาไว้ข้างหลังแล้วไม่มีอะไรขวางหน้าขวางกันได้อะไรที่มันเกิดขึ้นระหว่าง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 เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นคือมีภาวะที่เห็นไม่เป็นเป็นผู้ดูเป็นผู้เห็นไม่เป็นผู้เป็นทำอย่างนี้ทั้งหมดที่ว่ามรกรวมลงมาเหมือนกับช่างกินอ้อยว่าอย่างนั้นง่ายนิดเดียวช่างเป็นกินอ้อยมันม้วนอ้อยเข้าปาก ก็เดียวเห็นไม่เป็นแล้วก็ไม่อยากจะมักรวมลงอยู่ที่มักเป็นหนทางดำเนินชีวิตเราจึงทำได้กับมือเราให้เชื่อมแข็งให้ดูแจ้งลู่พรมตรงนี้ มันมีงานมีการที่ตรงนี้งานชีวิตมันคือตรงนี้เมื่อมันชำนิ้จำนานแล้วคมันก็ได้ชีวิตขึ้นมามันพอใจไม่พอใจไม่ใช่ชีวิตสุขสุขทุกทุ ก, ทกไม่ใช่ชีวิตชีวิตจริงๆมันไม่เป็นอะไรเป็นไปเพื่อพระนิพพาน เหมือนพระองค์ผู้ตองค์แสดงจะขูเกิดขึ้นแล้วเจอเราญาณเกิดขึ้นแล้วเจอเราวัญญาเกิดขึ้นแล้วเจอเราวิชาเกิดขึ้นแล้วเจอเราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วเจอเรานิพพานเกิดขึ้นแล้วเจอเรามันก็เป็นไปทำนองนั้นมันไปกระเสไปเอาไม่ได้หลงเอาไม่ได้เมื่อหลงที่ใดก็มีไม่หลง ตรงกันข้ามไปตรงกันข้ามไปเป็นทางไปเป็นทางไปเ็นไปเห็นเป็นทางดูนี่เห็นเห็นแล้วมีทางไปแต่กระแสไปทำได้แล้วทำได้แล้วมันมีความรู้ตามความจริงเป็นอย่างนี้ เรียกว่าปฏิบัติธรรมเห็นความเกิดความแก่ความเจ็บคมตายเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่ใช่ตัวตนตื่นไปเพื่อพระนิพพานไหมเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่ใช่ตัวตน มันก็เป็นไปเพื่อพระ涅槃เหนือความไม่เทีย่ยเหนือความเป็นทุกข์เหนือความไม่ใช่ตัวตนถ้าเห็นเนี่ยมันเป็นมรรคต่างเก่าพ้นภาวะเดิมเข้าถูวิปัสสนาญาณขึ้นมาสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยมีเป็นรูปเป็นนาม เป็นขันเป็นธาตุไม่ใช่ตัวใช่ตนเป็นลู ก, ลกเป็นมหาภูตอลู ก, ลกที่มันเป็นทุกข์ตามสภาพของลูกลูกมันบอกทุกข์ของมันคือมันมีอะไรมากมากมาสมภาวะทุกข์คือทุกข์ทั่วไป เถืนตามความเป็นจริงมันแก่แก่งโนลากถนโคลนสภาวะทุกทุกที่กำหนดรูเฉยเฉยแก้ไม่ได้เช่นหายใจเข้าหายใจออกเป็นสภาวะทุกขตามธรรมชาติคิบตาคือ น, น้ำลาย เป็นสภาพวาัตถุตามธรรมชาติเคลื่อนไหวเราไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์เรายืนเดินนั่งนอนมันคือมันแก้ทุกข์ของสภาพธรรมชาติไม่ต้องมีการโสนจริงมันเป็นการแก้เป็นเปนการบรนเทาของสภาพวาัตถุธรรมชาตินิสระทุกข์ทุกเนื่องนิด คือทุกตัยหลักไม่เที่ยงไหลไปอยู่เลยนั่งอยู่นี่มันก็ไหลไหลไปสู่ความแก่ความเก็บความตายนิจสนุทุกไม่มียกเว้นเลยทุกวินาทีไหลยอยู่นี่ในรูปนี่ไม่มีใครป้องกันได้ในรูปนี่ไม่เป็ใครเป็นใหญ่ มันเป็นไปเองของสั บ, สบ น, นทุกอาขันตุกะทุกทุกโจรโจรหิวข้าวหนักเบากินน้าดื่มน้ํานี่เรียว่าอาคันตุกะปวดหนักปวดเบาโจรมาเป็นข้างเป็นข่าวนี่เป็นทุกที่เป็นอาคันตุกะทุก ของกองรูปกองนามมันมีรูปมันมีขันมันแสดงออกโยงกัด ก, ก็เจ็บอะไรต่างๆก็ทําให้มันบอกจาภาพของรูปของนามมันรู้อะไรได้มันมีวิญญาณนาฏมันรู้อะไรได้โดยจากลอนรู้จากเต่าโดยเขี้ยวนี่เป็น ตสภาพของรูปของนามอีทุกที่มันเป็นทุกที่พระเจ้องค์ทรงแสดงมิจฉาเนี่ยเรียกว่าอริสัตย์ทุกอย่างทุกอย่างนี้ไม่ใช่บรรเทาไม่ใช่กําหนดรูปมีแต่ละอย่างเดียวถ้ามันโกรธบรรเทาแล้วกูไม่ได้ดา่ามันกูไม่หายโกรธไม่ใช่แบบนั้น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 เตอเขาลูกเขาคงไม่ทำให้เราเป็นทุกข์เบียดเบียนเราเขาไม่รู้เขาจึงที่เบียดเบียนเราไม่ใช่ไปโกรธคนไม่ใช่ไปโกรธการไปทำของเขาโกรธก็โกรธ ถ, ถ้าเบื่อก็เบือเบ่อวความไม่รู้มีอยู่ทุกคนเราก็มีเหมือนกันก็เลยเห็นเหตุเลยไม่ต้องไปโกรธเห็นเหตุที่เขาทำเมื่อคนไม่รู้ เขก็ทําอะไรได้ที่เป็นผิดผิดให้เจิดเป็นทุกข์ต่อคนอื่นเชิงเงินวัตถุอื่นได้ดังั้นที่เราจะโกรธก็คิดถึงสงสารเขาควรให้อภัยเขาเขาไม่รู้คนไม่รู้เป็นคนที่ควรให้อภัยไม่ต้องไปโกรธถ้าโกรธล้วก็เสียเปรียบเขา เชเปรียบความโกรธเชี้เปรียบคนที่ทำให้โกรธเดี๋ยวนี้เขามีสงคมจติตตะวิทยาอยากให้ใครตาย ง, ง่ายก็ทำให้โกรธอยู่เสมอโกรธที่ใดก็เป็นเหมือนจุดไฟเผตัวเองจนทุกข์สูญเสียชีวิตบันทอนชีวิตสั้นลง เราจึงมาเห็นเหตุเห็นปัจจัยอย่างนี้ในอริสตสี่มีความรู้ตามความเป็นจริงละมันเท่าไม่ได้มีแต่ละอย่างเดียวในลักษณะสี่อย่างทุกู้แล้วเห็นแล้วไม่เป็นผู้ทุกข์พ้นจากทุกข์ สมูทัเหตนเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ทำได้แล้วสมุทัยมันเคยหลงไม่หลงทุกทีหลงที่ได้ไม่หลงทุกทีตรงกันข้ามทุกทีโกรธที่ได้ไม่โกรธทุกทีทุกที่ใดไม่ทุกทุกทีนี่คือตัวสมุทัยละนี่รูดแก้งแล้วไม่เป็นธรรมเลยความหลงความทุกข์ไม่เป็นธรรมเลยความไม่หลงความไม่ทุกข์เป็นธรรม แจ้งที่สุดไม่ต้องถามใครมรควิธีทานดำเนินคือดูคือเห็นอย่างเดียวม้วน ล, ลงเป็นภาวะที่ดูหรือเปล่เนี้เป็นการดูแลตัวเองปลอดภัยได้แล้วก็ไม่มีอะไรมีแต่ลู้มีแต่หลงเอาจริงจริงแล้วภาวะที่หลงภาวะที่ลู้ หลงนี่ยากลูกง่ายเราไปเอามานีความชนานาญง่ายที่จะลูกปึกไปใหม่ง่ายที่จะหลงเปนไปได้เฝึกไปฝึกไปหลงนี่เป็นเรื่องยากจะบังคับขับใส่ยังไงก็ไม่หลงเขาเน้นทาก็ไม่หลงเราสั่เสริญก็ไม่หลง แม้กระทั่งเก็บปวดอะไรก็ไม่หลงสุกทุกข์อะไรก็ไม่หลงง่ายๆก็ไม่หล ง, ไ, ง, ไ, หลงไปแก้อะไรทุกอย่างโลภโลบหมดุดเรียกว่ามีสติเป็นหน้าโลภปดดูโลภโลภปลอดภัยไม่ได้อยู่ตรงเดียวสติมันเป็นหน้าโลภพระ่กีนาะจบคือพระอรหันต์ผู้มีสติเป็นเวไนโลภโล บ, บมีสติเป็นหน้าโลภ ตัวเล่อตายใจมางก็คุ้มแล้วเกิดคือหลงนี่แหละตัวหลงเป็นเหตุทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาเมื่อมีตัวรู้เข้าไปดูเร่แล้วก็ปลอดภยัยก็มั่เสร็ล้ไปเป็นรักง่ายง่ายไม่ยากบางคนอดทนยาก ไม่โกรธไม่ได้ไม่โกรธไม่ได้ที่จริงไม่ได้ทําคนที่พูดจากนั่นไม่ได้ทดําดูไม่ได้ไปโกรธดูนั่นไม่ยากถ้าจะบังคับให้โกรธให้ทุกขให้ทุกข์มันข่มขืนตัวเองการข่มขืนตัวเองมีนเป็นทุกข์มากตัว น, นี่หน้าละคนนี้หน้าเกลียดคนนี้หน้า ชอบอะไรต่างๆสมมุติปัญญาต์เกิดขึ้นจืดจางไปเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้จะให้หลงให้โกรธให้ทุกข์ให้ทุก์เป็นไปไม่ได้เพไม่หลงไม่โกรธไม่ทุกข์มีอยู่เป็นอยู่เหมือนเรามีบ้านนั่งอยู่ในล่มจะเดินไปออกไปเวลาฝนตกจะออกไปตากฝนให้เปียก เวลาแดดออกจะเอาไปตากแดดเรามีร่มอยู่มีธรรมะก็เหมือนมีร่มในมือเหมือนโนอนในมุ้งเวลามียยงบินอยู่ข้างนอกยยงก็ไม่ได้เกัดมีก็ไม่ได้เกัดเรามีธรรมะเหมือนมีมุ้งกลางโนนที่ธรรมะก็อยู่ในโลก ไม่เปเื้อนกับโลกเหมือ น, นใบบัวที่อยู่ในน้ําไม่เปเื้อนกับน้ามีอยู่สุขทุกข์นินทาเฉินเฉินเจ็บเกิดเจ็บเจบตายมีอยู่แต่ไม่เปืเ้อนกับสิ่งเหล่านั้นนี่ธรรมะคืออย่างไรคือเห็นมันเจะเห็นมันเจ็บเห็นมันตายเห็นมันสุขเห็นมันทุกข์เป็นมากไปดําเนินไป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 เอามาได้สิงเหล่านั้นจะเป็นความทุกข์ไหวค้าหาไปห้อยไปเขียนไว้กับสมมุติปัญญัติที่มาเอาเองมันไม่ใช่ชีวิตไม่ใช่ไปห้อยไปเขียนนั่นกับชิ่งใดนคือมันไม่เป็นอะไรนี่แหละมันไม่เป็นอะไรนี่คือชีวิตอาว่าไม่เป็นอะไร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 มันเห็นตามความเป็นจริงเหมือนกับใบบัวในน้ำมันก็ไม่เปียกน้ำาีวิต ท, ที่มีธรรมะอยู่กับโลกก็ไม่เปเื่อนกับโลกเป็นไปได้ถ้ามีสตินะจะได้ ชีวิตแบบนี้ขึ้นมาถ้ามันมีสติก็ไม่ได้ชีวิตแบบนี้ขอไม่ได้ซื้อไม่ได้แบ่งแบนกันก็ไม่ได้ต้องเป็นการกระทำเอ า, เรากรรมกรรมเป็นของของเราเราทำดีก็จะได้ดีเราทำชั่วจะได้ชั่วเรามกรรมเป็นของของตน มัจึงมามีการกระทํานเกิดขึ้นมามันก็พร่อมแล้วชีวิตของเรานะมีรูปมีนามมีรูปก็นั่งอยู่นี่เป็นลูกหาภูตรลูกมนทำความดีได้มาลัความชั่วได้มีนามมันมีวิญญาณธาตุมีวิญญาณธาตุเอามามาใช้รูปให้ทำความดี ถ้าไม่ทำความชั่วได้ละชั่วได้ทำดีได้รูปน้ํานี่ยแต่ทำชั่วมันก็ไม่ปิดบังทำดีก็ไม่ปิดบังเพราะวิญเห็นอยู่ด้วยกันนี่มาใช่รีลัมแต่เรามีสติสตเห็นทันทีมาก่อนไวกว่าอันอื่นสติเนี่ยมา ไว้กับรูปไว้กับนามไม่ใช่อนื่องวกว่าสติมันมาไว่สิ่งที่เกิดขึ้นกับรูปกับนามอ็หัดมีสติมันจะมาไ ว, ไว่ๆถ้าหลงสติมาถึงก่อนเห็นหลงถ้าสุกสติมาถึงก่อนเห็นสุกถ้าทุกขกสติมาถึงก่อนเห็นทุกข์ถ้าไม่ฝึกหัดก็มาไม่มาไม่เป็นนะ ตองก็หลงบปเลยหลงข้ามวันข้ามคืนหลงเป็นปีก็มีนะไม่ชิมีสติมาไหวเหมือนไม่มีพ่อแม่มาดูแลมาช่วยเป็นคนชีวิตที่เถื่อนเียเขาหอบพิ้วไปไหนก็ไปลูปน้ำนี่ทัางคืนเป็นควรกลางวันเป็นเตว ไหลไปต่างกันว่าฝันกลางวันว่าคิดไปตามอาการที่มันเกิดขึ้นแม้บางทีมีสมมุติบัญญัติวัตถุอาการต่างๆสมมุติบัญญัติก็มากมายในเป็นสมมุติบัญญัติเป็นรูปก็มีสมมุติบัญญัติเป็นนามก็มีมีแต่สิ่งที่จะให้เป็นทุกข์เป็นโทษถ้าเราไม่ศึกษา เพมหาไปได้แล้วพวกเราก็ตืดือล่อนกันนี่จะภัยเป็นรูปเป็นนามนอกจากเกิดเจ็บเจ็บตายแล้วอืนมีเยอะแยะเลยสมมุติบัญญาประทูวอาการต่างๆมากมายรถของโลกมีมากสมมุติบัญญาเป็นรูป ทำตามสมมติเหตุว่าชอบสมมติเหติเป็นนามทำตามสมมติเหตว่าไม่ชอบคิดขึ้นมาก็เป็นทุกข์เป็นสมมติั ญ, ญตัต้อออกจากความแก่ความเก็บความตายแล้วเป็นหลักอยู่แล้วยังเพิ่มเข้าไปอีกเปนเหล่าสุภรีเพิ่มเข้าไปอีกสมมติ ญ, ญัติว่าชอบโยตีเร่ร่อนเพิ่มเข้าไปอีก น่สงสารมันมีสมองของเราเนี่ยเป็นรูปเป็นนามเนี่ยมากอบกู้ชีวิตของเราใช่ไมีสติเนี่ยมีสติเป็นหน้ารอบเป็นเจ้าของมันาเนี่ยป่วยกันที่งแต่ใหม่มันเป็นโทษถ้าป่อยให้ทำไอ้รูปเป็นนามมันทําอะไรมันก็เป็นทุกข์เป็นโทษได้ถ้าเราไม่รู้นะ แม้เราเจ็บไข้ได้ป่วยมันเป็นการกระทาของรูปของนามเองไม่ใช่ใครที่ไหนนิเครามไม่เป็นรูปเป็นภัยก็เป็นการกระทาของรูปของนามเองบางทีธรรมชาติก็ช่วยมันเองธรรมชาติมันช่วยตัวมันเองเราไม่เคยช่วยตัวเองให้ธรรมชาติช่วย บางทีก็ธรรมชาติก็ถูกกบเกิดบรรูุบรนดามเนี่ยสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเป็นตนมาเป็นสุขออกาเป็นสุ ข, เ ป, สขเป็นทุกข์้าไม่มีเจ้าของมันเถื่อนเราหอบหิวไปไหนก็ไปเราเอาไปอะไรไปใช้ก็ไป ใช่สุข ก, ก็สุขใช่ทุกข์ก็ทุกข์ใช่โกรธ ก, ฎ ก, ฎกฎ็โกรธใช่หลงก็หลงใช่รักก็รักใช่เกลียดชังก็เกลียดชังตามทำตา ม, ตามความรักความโกรธความเกลียดความชังความสุขความทุกข์มากเท่าไหร่มันมีประโยชน์อะไรคนหัวลุกนะคนหัวลุกมากถ้าพูดถึงเรื่องโลกลดของโลกที่เราไม่เคยรู้ตัวเองมาก่อน นอนไม่หลาบพระวมคิดยินมาได้พระความคิดทั้งทั้งที่เป็นความคิดเป็นนามธรรมามันก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนแต่มันเป็นอำนาจทำไม่เป็นทุกข์ได้เป็นความโกรธได้เป็นอเป็นเป็นกรรมได้ล่อยไปเฉิญนรูปทำนามธรรม มันทําดีมันทาชั่วด้วยคืมามีสติเนี่ยถ้าปฏิเสธความรู้สึกตัวก็เท่าปฏิเสธตัวเองไม่รู้จักช่วยตัวเองไมคนมอื่นช่วยไม่ได้เช่นความโกรธถ้าบังคับไม่ไม่โกรธเป็นไปไม่ได้บางทีอาจะําลายคนที่ห้ามด้วย คนที่ดีๆไปช่วยคนที่ตอหลังถูกทำลายก็ถูกฆ่าตายมันเป็นแบบไม่ได้ถ้าเราไม่รู้จักห้ามตัวเองทุกคนต้องเริ่มต้นเริ่มต้นตัวเองนับหนึ่งจากเราการที่ยกผลช่วยตัวเองคือมีสตินี่เลยมาช่วยตัวเองกันเถอะพวกเราวันมี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 เห็นารเห็นใจเห็นมันทุกเห็นมันทุกและช่วยมันในความทุกข์ก็ให้มันไปความไม่ทุกข์ให้เห็นมันทุกบางอย่างทําตามที่พระเจ้าทรงสอนทุกบางอย่างกําหนดรู้โดยการรู้ทุกบางอย่างกําหนดรู้โดยการมันเท่าทุกบางอย่างกําหนดรู้เดียการละไ่ตามสภาพของทุกข์มีระเบียบ มีแลเบียบทุกที่ต้องละไม่ใช่บรรเทาได้ต้องละเด็ดขาดแช่นความโกรธต้องหยุดทันทีเด็ดขาดทันทีแล้วมันทุกข์ก็ต้องหยุดทันทีทุกเด็ดขาดทันทีเด็ดขาดเด็ดขาดเด็ดขาดทางไปนิพพานคือเด็ดขาดไม่สุบุรีกันเด็ดขาดทันทีไม่กินมากเด็ดขาดทันที ไม่คิดชั่วเด็ดขาดไม่พูชั่วเด็ดขาดไม่ทำชั่วเด็ดขาดมันจะไปไหนมีสติลอยปเปิดเสชีวิตของเราทํากับเราให้มันเด็ดขาดลราโดนใชอย่าอ่อนแอบางทีความคิดขึ้นมาก็ยังคล้อยตามเด็ดขาดคน อย่าปล่อยมันเด็ดขาด ม, ามีสติเนี่เวลานี้ไม่ใช่มาคิดเด็ดขาดนี่ในเดือนนี่เดือนจบปรารายังการตัดลูกของพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์คิดยังไงเด็ดขาดคิดถึงเราเด็ดขาดเราไม่ใช่หมายที้งคิดถึงลูกเรามาหาโมกกระทำเราละคนทั้งโลก ไม่ใช่รักเฉพาะหล่อคนเปิดขาดยิ่งใหญ่กว่านี้เรารักคนทั้งโลกไม่เหนือการเกิดเจ็เจ็บป่วยเราจะหาเรื่องนี้มาช่วยมนุษย์ทั้งโลกเรารักเพียมพาคิดถึงเพียมพาว่าเด็ดขาดกลับมาเด็ดขาดมนแต่ความคิดคิดถึงประสาทตา่ำระดูเด็ดขาด แต่เมื่อคิดใ้อ่อนแอเปรียบเทียบบต้นชีวาโพเลยเดขาดนั่นเป็นความคิดนี่เป็นการกระทานี่คือรู้นั่นคือคิดไปเห็นความคิดลักษณะแบบนี้เบ็ดขาดเดดขาเด็ดข า, ดปดขาดไปภาวที่เห็นภาวาที่ไม่เป็นก็งอกงามขึ้นมาได้ประโยชน์มันผิดมันจึงมีการถูก ถ้าไม่ผิดมันก็ไม่ถูกถ้าไม่ทุกมันก็พ้นจากทุกไม่เป็นน่าจะขอบคุณมันขอบคุณความหลงขอบคุณน้องเขาลบความหลงแต่ก่นไม่รู้จักเขาลบความหลงู้จักหลบปลีเราจึงปฏิบัติธรรมแบบนี้มันงอกมันงามขึ้นมาจริงๆนะ จะการสูงก็สูงขึ้นมาพ้นภาว่าเก่าพ้นภาวะเก่ า, าเก่าคนละลูกกันเราจะพูดถึงบังคับกลุ่มคนนี้เป็นเหมือนเดิมมันเป็นไปไม่ได้คนเราภพละชาติมันชินพบชินชาติแบบเดิมเดิมเคยสุขเคยทุกข์เคยพอใจเคยไม่พอใจ น้อมแล้วลำเอเกิดแรกเรศสิ้นไปเลยมันก็เลยเรียกว่าพุเนภาวะเก่าพุเนภาวะเก่าต่างเก่าทิวิติต่างเก่าเป็นไปได้การปฏิบัติการเจริญจติตเนี่ยเป็นไปเหมือนพุทธิย่อแสดงธรรมจักนั่นแหละถ้าทำตามพระองค์สอน ดับความปัญจเรศเห็นสองอย่างมันปัญจิตไม่ควรคงแม้มันปัญจิตไม่ควรเฉกมันปัญจิตคือผู้เห็นภัยเห็นภัยคือเห็นการเกิดเจ่เจ็บตายอย่าไปอ่อนแอหลงเป็นหลงเป็นความอ่อนแอปวดเป็นกวดเป็นความอ่อนแอเกิดจิเลตัญหาราคะค่อยตามมันน้อมใจไปเพ่งเลง็ง ใส่ใจเป็นความอ่อนแอเ่ปกาลมาชุกขันนิการุโยคเอาผิดเอาถูกเกินไปตึงเครียดเกินไปอยากรู้อยากได้ให้ความอยากพาทำมันเป็นความลำบากไม่ต้องอยากรู้ให้ทำลงไปทำใจสบายสบาย เป็นกาบางทีทํำด้วยความอยากจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้ไม่อยากแบบนั้นไม่ใช่เพียงแต่ว่าเราคนหนึ่งเลรอไม้ว่าอย่นี้ไม่เป็นไรเคยคิดแบบนี้เหมือนกันไม่ใช่ว่าจะเอาให้ได้หลวงพ่อเทียนสอนเราคิดถึงหลวงพ่อเทียน หลวงพ่อเทียนอายุเท่าไหร่ปฏิบัติธรรม48ปีเราก็หนุ่มกว่านั้นเราคนนึงคงเก่งเหมือนกันแม้บางส่วนท้าทายมานี่ยหลวงพ่อเทียนบอกว่าไม่ อ, อาจารย์เขียนเลือกเอาสามวัดนี่นะวัดโมกวัดสนามหนยวัดทับเมิงขวัญ อย่าทิ้งสามวัดนี่เด็ดขาดให้เลือกเอาเลือกใช่ตรงไหนก็ดูแลตามที่หลวงพ่อบอกแต่ว่าใจเลือดเราต้องเก่งกว่านี้สามวัดนี่ใครอยู่ก็ได้ตปนวัดในเมืองเป็นวัดที่มีความสะดวกสบายลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนมีแค่สาวัดเท่านี้เลยมันคิดอยู่ในใจสวนทางกับหลวงพ่อเทียนอยู่ เราอยู่ก็ได้วัดสามัดนี่นะจะเก่งกว่านี่นะลูกศิีย์ลุงพ่อเทียนขอให้เราเป็นคนเก่งสักคนนะไปหนีออกไปเลยไม่ต้องอยู่แต่ว่าต้องไม่ทิ้งวัดสาหนีมาอยู่ที่นี่นะหนีมาอยู่ที่นี่นะคิดว่าไม่มีใครที่อยู่ที่นี่ได้เราต้องเก่งกว่ามูเป็นอย่างนั้น คือมันเคียอะตัวเองบางบางโอกาสภาษาไหลความโกรธภาษาไหลความทุกข์ภาษาหลาความลาหลงภาษาไหลความรักมังกิบจอยเหลือเกินต้องเก่งกว่านี้นะไม่คิดถึงลูกที่เมวเนี่มันทไมไม่ใช่เลยใช่หมเอเยด่าตัวเองไหมชาติหมางั้นนั่งคิดถึงลูกถึงเมเลย <laughs> เอาอะไรนะ่ คิดถึงเพื่อนคิดถึงความโกรธบางทีก็คิดถึงความโกรธบางทีคิดถึงความรักมันอะไรกันอันที่มันไม่ต้องคิดถึงอะไรมีสติไม่ไมไม่ได้เลยนอ่ะงนี้นะปฏิบัติธรรมก็ขอเชีย์พวกท่านทั้งหลายพเราอนอยให้พึ่งตัวเองมากๆปฏิบัติธรรมอย่าไปใช้ใคร ตัวเองพิพากษาตัวเองให้พ้นไผ่พ้นททษอะไรมันพ้นไปพ้นไปพ่นไปต้นจากความหลงพ้นจากความสุขพ้นจากความทุกข์พ่นจากความรักความชังพ้นไปพ่นไปก้าข้ามเปิดใจเจ็จจจบต า, ายน่าไอ้เดี่ยวเหมือนช้าง <S <S <ใน S 1> กินโอ้ยเป๊ น, <S <S> <S นเดียวเห็น ไปเป็นนิดเดียว